โรคเบาหวานอันที่สามพระเบอกว่าให้กินอาหารที่ย่อยง่ายอย่ากินอาหารย่อยอยากเช่นพวกเนื้อนี่ย่อยอยากอันที่สี่พระบอกว่าต้องมีศีลแล้วก็ห้ามมีมิตร ด, ดีคนเรามีศีลธรรมแล้วก็อายุยืนนี่อันที่สี่การที่คนเราจะรู้ประมาณในการในความสบาย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 เกิดกับคนที่ไม่ค่อยออกกาลังกายเอาแต่นั่งดูโทรทัศน์นั่งดูโทรทัศน์ไม่นั่งอยูปากเปล่าก็กินไปด้วยกินช็อกโกแลตกินไอติมกินอะไรต่ออะไรปากไม่ว่างเลยตาก็ดูโทรทัศน์ไปวลาสองสามชั่วโมงมันก็เลยเป็นโรคหัวใจโรคเบาหวานโนมาเลง็งโรคไต อันนี้มันเป็นโรคที่เกิดจากความสะดวกสบายมากไปกินเยอะไม่ออกไปรังกายเอาแต่นั่งๆันอนนอนนั่นธรรมะมันก็มีประ่ยวสําคัญกับร่างกายเหมือนกันแต่ว่าเอาง่ายๆว่าซับนี่มันเป็นเรื่องที่สําคัญต่อร่างกายธรรมะเป็นเรื่องสําคัญต่อจิตใจสําคัญทั้งสองอย่างนะแต่ว่าก็ต้องรู้จัก รู้จักแยกแยะนว่าอะไรสําคัญกว่าอะไรนชาวพุทธเราเนี่ยก็ถือว่าธรรมะสาคัญกว่าทรัพย์ธรรมะสาคัญกับธนบัตรสองทอเหมือนกันนะธรรมะกับธนบัตรธนบัตรก็คือเงินนั่นทรัพย์สินชาวโลกก็อาจจะถือว่าทรัพย์สําคัญกว่าธรรมะแต่ว่าชาวพุทธเราคือว่า ธรรมะสำคัญกว่าทรัพย์สินในสายพยิการ์นี่เคยมีนะมีเศรษฐีนี่คนหนึ่งนะเ่าได้ข่าวว่ามีพระมาแสดงธรรมพระองค์นี้ก็คือพระโสนนะ่นเป็นพระอรหันต์มาแสดงธรรมกลับมาบ้านกลับมาบ้านเก่าก็มาแสดงธรรม ที่นี้ก็สนใจธรรมะ ก, ก็เลยไปฟังธรรมฉะนั้นก็โสนาก็แสดงธรรมกลางคืนนะกลางวันคนทำงานกลางคืนก็ว่างก็แสดงธรรมกันก็คนก็ไปฟังกันเกินตรงนั้นเนี่ยมันมีโจรกลุ่มหนึ่งนะ พอรู้ว่าเศรษฐีนี้นะไปฟังธรรมะไม่อยู่บ้านมันก็เลยทำการเข้าปรล์ทำเข้าปรนเลยนะขนของขนทรัพย์สมบัติทั้งหลายแหลของโยมคนนี้หัวหน้านี่ก็บอกให้ลุมน้องขนขนให้เกลี้ยงเลยส่วนหัวหน้านี่ก็จะไปซุ่มดูอยู่ที่ ศาลาที่มีการแสดงธรรมคอยเฝ้าดูว่าเจ้าซักเจ้าซับประพฤติจริงนี้เนี่ยแล้วเกิดว่าเจตินีนี่รู้ตัวหรือว่ากลับบ้านขณะที่ขนเข้าของทรัพย์สมบัติยังไม่เสร็จนี่ก็ต้อง ก็ต้องฆ่าเลยนะฆ่าปิดปากปล่อยเฝ้าดูเจ้าทรัพย์เอาไว้นะเจ้าทรัพย์มีเกกระตกกระตาขึ้นมานะก็ต้องเก็บกนะ็ระหว่างที่เไปที่นี่นี่ฟังทาอยู่ก็มีคนมาบอกเป็นเป็นคนใช้นะมาแจ้งข่าวว่าตอนนี้บ้านเนี่ยกำลังถูกโจมตน ถ้าเราเนี่ยเป็นเศรษฐีนี่เราจะทํำยังไงนะมีคนมาบอกว่ามีคนกําลังพ่นเอาทรัพย์สินเงินทองไปเพชรนินจินดาถ้าเป็นสมัยนี้ก็พ่นเอารถไปด้วยนะเอารถเอาตู้เย็นเอาโทรศัพท์ไปเศรษฐีนี่แทนที่จะตื่นตกใจรีบวิ่งกลับบ้านบอกว่าอดี๋ยวมานรบกวนนะ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 ตอหลังก็เปลี่ยนใจนะไปบอกลูกน้องว่าของที่ขนไปเนี่ยเอากลับคืนเจ้าของซะเอาไปไว้ที่เก่าแล้วก็พอแสดงทำเสร็จก็มาเปิดเผยตัวกับเศรษฐินีวันเนี่ยตัวเนีคือโจร น, นะที่จริงอตั้งใจจะขโมยแต่พอเห็นเศรษฐินีพูดแบบนี้ว่าใครใครก็จะขโมยก็ขโมยไปนะ ฉันจะฟังทำก็เลยมีความประทับใจ <c oughs> สุดท้ายนั่นก็บนหน้าโจงแล้วลูกน้องก็ทีหลังก็บิดพระนะบวดพระแล้วยิ่สุดก็เป็นพระอรหันต์โจงนี่ก็เป็นพระอรหันต์ได้นะไม่ว่าแต่โจเลยฆาตกรต่อเนื่องฆาตกรต่อเนื่องฆาตกรที่ฆ่าหลายศพเนะี่ยคือโอมคลีมายก็ยังเป็นพระอรหันต์ได้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 อยากรวยนะ่าต้องโกงนะต้องคอร์รัปชันนะต้องขโมยนะอย่างเงี้ยถ้าทํานี่แสดงว่าถือว่าทรัพย์สําคัญจะทํำนะนะอยากได้ทรัพย์ก็เลยต้องผิดสีน้องไปขโมยขโมยเนี่คือการที่ไม่ปฏิบัติธรรมหรือการติดสีนั่นเองไม่มีสีไม่มีธรรมโดยวนี้ทําปันอย่างนี้นะ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 การไม่คืนเนี่ยคือการที่ไม่มีความซื่อสัตย์ไม่มีสัจจะยิ่งยืมเงินวัดไปนี่ไม่คืนนี่โหนิงบาปมากอันนี้เรียกว่าเห็นแต่ทรัพย์แต่ไม่เห็นแต่ธรรมะนะที่เป็นเยอะนะหรือว่าต้นไม้ในต้นไม้ในวัดเนี่ยต้นไม้ในวันนี้ ชาบ้านก็ช่วยกันปลูกช่วยกันรักษาแต่บางคนก็ผัดไฟอยากได้อยากได้ต้นไม้อยากเอาหรือแม่ก็อยากดักสัตวนะ mm hmm. ์ื็อะไรไปขายได้เงนินอันนี้เรียกว่าเอาทรัพย์นะแต่ว่าทิ้งธรรมะเพราะว่ามันการทําบบนั้นมันเป็นการที่ไปเบียดเบียนนะเบียดเบียนส่วนรวม วัด น, น, น, ว น, ว น, นี่เป็นของส่วนรวมนป่านี่เป็นของส่วนรวมในเดยวนี้คนเรานี่เป็นเยอะนะทิ้งธรรมะเพื่อทรัพย์นะแต่ก่อนพระเจ้าบอกเนี่ยสละทรัพย์เพื่อธรรมะอเดี่นนี้เราสละธรรมะเพื่อทรัพย์เป็นกันมากพูดถึงการสละทรัพย์เพื่อธรรมะนะ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 การที่ช่วยผู้อื่นเนี่ยมันก็เรียกว่าเป็นการเป็นการาทำเพื่อธรรมนะในสาพจธการก็มีนะมีพระองค์หนึน่งชื่อพระติศานะันก็ก็จะเป็นพระอรหันต์ด้วยวันหนึ่งก็ไปสนทนากับ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 ก็บอกว่าพระเจ้าประเสริฐกฤษณเนี่ยมาสั่งให้ช่วยเจรไาพลอยหนะ่อยมีพลอยอยู่เม็ดหนึ่งไม่รู้เป็นเม็ดเนินนะพลอยหรือเพชรไม่รู้นะให้ช่วยเจรไาเพราะมณีการนี่เป็นช่างช่างพค่ช่า ง, งพลอยที่เก่งก็เป็นเพชรเม็ดใหญ่เป็นพลอยเม็ดใหญ่นะแล้วตอนนั้นมณีการเนี่ย ม, มือเอนี่ยมือเปื้อนมือเปื้อน ก็ต้องไปต้องไปล้างไปล้างมือเพชก็วางไว้บนบนโต๊ะนะบนมีเขียงตอนนั้นเข้าจะากำลังทําทําครัวอยู่อาจจะทําอาหารจะถวายพระก็ไม่ยังไงก็ไม่ก็ประมาณนั้นแหละมือนี่เปื้อนเลือด น, นะก็าาไปล้างส่วนเพชรพลอยก็วางไว้บนเขียงก็บางเอล ตอนนั้นก็มีนกกระเรียนอยู่ตัวหนึ่งของมณนิการมานิการเลี้ยงนกกระเรียกนกเอาไวะ้นกกระเรียนมันเห็นเพ็ดพลอยอยู่ที่เขียงมันเห็นมันก็นึกเป็นอาหารมันก็เลยก็เลยกินเลยนะปืนเข้าไปมานิการกลับมาไม่เห็นเพ็ดไม่เห็นพลอยตอนนั้นก็มีแต่ปลาติดสะอยู่ตรงนั้นรูปเดียวก็เลย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 ความเมตตาของพระติสัยท่านมีมากไม่ต้องการให้นกกระรียนตายก็เลยไม่บอกว่ากรเรียนมาไปอันนี้ไม่ได้โกหกนะเพียงแต่ไม่บอกความจริงอันนี้ไม่ใช่โกหกอันนี้มั น, นีการกระถามว่านอนไปใช่ไหมพระติสาวปฏิเสธมันมีการก็เลย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 ตายเลยนะกระเรียนตับแตกตา ย, ยพอพระติสารู้แล้วว่ากรเรียนตายก็เลยบอกความจริงว่าพลอยเนี่ยนะมันอยู่ในท้องกรเรียนกรเรียนมันเอาไปมันกินไปที่แรกไม่เชื่อมันอิการไม่เชื่อแต่ว่าลองดูหน่อยผ่าท้องอเจอเนาะเจอพลอยโม้ยขอโทษขอษขอภัยพระติสาเป็นการหญ่ ตอนหลังพวกว่าเรื่องต่อมาก็ตอนหลังตายมันมีการตายก็ตกนรกลงนรกอเวจีเนี่ยนี่เรียกว่าพระเนี่ยปฏิสัยท่านเรียก่ยอมสละชีวิตก็ได้นะเพื่อธรรมะธรรมะในที่นี้คือว่าการความเมตตาการุณาการที่ตั้งใจจะช่วยชีวิต กระีนี่ก็ถือว่าเป็นธรรมะณเนี่ยขนาดว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานนะท่านก็ยังก็ยังพร้อมสละชีวิตให้ได้บางท่านเนี่ยก็สละจริงๆเลยนะในสมัยที่พระพุทธิสัตว์พระเจเป็นพระพธิสัตว์เป็นฤาษีจาลิกในป่าริ่นเสียง เสียงร้องนะของสัตว์นะมันอยู่ในช่อ ง, ง่อนผาก็เลยลงไปดูก็เลยคึ่ก็เลยไม่ได้ลงไปดูนะก็ก้มลงไปดูนะตรงชอ ง, ง่อนผาก็เห็นแม่เสือหิวโหยพร้อมเลยมาเพิ่งออกลูกมาเป็นแม่เสือแม่ลูก่อนมันหิวแนละ้วมันทำท่าจะกินลูกนะ ลูกนี่เพิ่งคลอดออกมาท่านก็เลยดาบทนะก็เลยบอกให้ลูกสิธิ์ไปหาอาหารมาลูกสิษย์ก็ไปหาหายเป็นนานไม่กลับมาสักทีส่วนแม่เสือนี่ก็เตรียนจะขยําลูกเสืออยู่แล้วทนะ่านก็อยากจะช่วยชีวิตลูกเสือนะทํายังไง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 สละธรรมะเพื่อเพื่อทรัพย์ทำอะไรก็แม้กระทั่งเวลาจะทําบุญเนี่ยที่จริงการทําบุญนะการให้ทานเนีัยก็เป็นการสละทรัพย์เพื่อธรรมะาการสะทัพย์เพื่อธรรมะเนี่ยก็เช่นเราถวายเงินนะเพื่อเพื่อส่งเสริมธรรม ป่อยอาหารเพื่อพาหนได้โอกาสปฏิบัติธรรมทุกวันนี้ที่เราใส่บาทเนี่ยก็เป็นการสระทรัพย์เพื่อธรรมะคือให้พระานได้ศึกษาปฏิบัติธรรมเป็นการส่งเสริมธรรมเพระได้ศึกษาปฏิบัติธรรมก็ก็ทำให้ธรรมะนี่มันจเจริญงอกงามอันนี้เป็นความตั้งใจนะเป็นจุดมุ่งหมายของชาวพุทธ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 เหมือนกับเป็นการลงทุนแบบหนึ่งนะเหมือนกับไปซื้อหุ้นนะนะซื้อหุ้นเนี่ยก็ต้องดูว่าซื้อหุ้นตัวไหนจะได้ราคาดีหุ้นตัวไหนให้ผลตอบแทนสูงก็ซื้อตัวนั้นแหละเดี๋ยวนี้ชาวพูดเราทำบุญในแบบนี้นะถ้าทำบุญตรงถ้าทาบุญกับสัตว์ได้บุญน้อยไม่ทาถ้าทำบุญกับพระทำบุญคนธรรมดาได้บุญน้อยไม่ทำต้องทำบุญกับพระอรหันต์นะถึงจะได้บุญมาก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 พูดแค่นี้อะรวยๆวยวยโยมก็รวยรวยวยตามพอามาทําบุญนะมาจะเล็กบุญแต่ว่ามาจะเล็กบุญก็พอยากจะได้บุญได้เยอะเอาบุญไปทไําแรงเพื่อได้รวยรวยรวยอันนี้เรียกว่าสลัดรัพย์เพื่อทรับเนศรัพย์เพื่อธรรมะการสลัดรัพย์หรือการทําบุญกลายเป็นการลงทุนแบบหนึ่งเดี๋ยวนี้เราทําบุญเป็นการลงทุนนะลงทุน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 มีกินมีใช้ไม่หมดไม่อดอยากหลวงพว่อหลวงปู่ดูว่ามันต่าไปมันต้องเที่สูงกว่านี้นะที่สูงอะไรก็ให้อธิษฐานให้มีธรรมะมากๆเนี่ยไม่ใช่อธิษฐานให้มีท ร, รัพย์เยอะๆแต่ธรรมะเจริญงอกงามเช่งขอยมีสติขอยมีปัญญาขอยมีปัญญาพาจิตใ ห, ให้ให้มีปัญญาเข้าถึงสัจธรรม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 ทรัพย์ก็สําคัญนะแต่ธรรมะสําคัญกว่าเวลาใส่บาตรก็ไม่ได้อธิษฐานก็ขวค่อยรวยอย่างที่เคยไล่ฟังเดี๋ยวนี้คนอธิษฐานนานมากเลยนะใส่บาตรทีหนึ่งอธิษฐานนานผ้าก็เยืนเนีว่าดืงก็เมือเ่อไรจะจะอธิษฐานเสร็จผ้าจะได้ให้พนะรคนสมัยก่อนนี่พูดสั้นๆนิพพานั 1, ปสติโยหตโไปเป็นปัจจัยไปสู่พระนิพพาน บานทีก็ที่ษฐานยาหน่อยนะแต่ก็เรื่องเดียวกันเลยข้าวของผู้ฆ่าขามุนดอกบัวยกขึ้นเหนือหัวสอยแต่ประสงค์จิตใจ จ, จำนงมุ่งสรงต่อพระนิพพานคอยถึงเมืองแก้วคอยแพลวบุญ ม, มานคอยพบพระสีอ่านนีก็มีแต่เรื่องนี้แหละนิพพานถ้าไม่นิพพานก็ขอยได้พบพระสีอ่านเพราะว่าพระสีอ่านคือพระพเจ้าจะได้พบแล้วควมเหวี่ยกาจะได้นิพพาน